สประวัติวาน 3. อุปาธนิโรธวาน 1. นปัจจุบันนวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลจะขายัตนาโมรกนัยหนอก้าสิบอนุโลมปุจฉาจะขายัตนาของบุคคลใดกำลังเกิดโสตายัตนาของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉา ส, ส ต, que, <S S ตยายตนะของบุคคลใดกำลังดับจะขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจะขายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดคานายตนะและรูปา ย, นานา ย, นาายตนะและมานายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ ปฏโลปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดกําลังดับจะขายายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจารนาไม่ใช่ละส0งอนุโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจารนาไม่ใช่ ปฏิโรมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดกําลังดับมานายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่อนุโลมโอกาสจักขายตนะมูลกนันในสอร้อยอนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดกําลังเกิดละในมงเร็บคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดไม่ควรเพิ่มคําว่ามิใช่ คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดพึงเพิ่มคำที่เหมือนกันกันกบคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดซึ่งนอกจากนี้คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดเหมือนกันทั้ง3วาระอนุโลมปุกคโลกาดจะขายัตนะมูลกไนสอยสองอนุโลมปุจฉาจะขายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด โสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจารนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับจะขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ละ203อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด ธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับมนาายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปัจจณีกับบุคคลจะขายตนะมูลกานไหนสองร้อยอนุโลมปุจฉา จ e? ja ักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนะบุคคลผู้มีโสตเกิดได้กำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตายตนะมิใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้มีจักรูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีโสตเกิดไม่ได้กำลังจุติจักระยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด และโสตายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจักขะตายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้มีจักรูเกิดได้กําลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่จักระตายตนะไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีโสตเกิดไม่ได้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กาลังจุติ จักระยตนะของบุคคลเหล่าน like ั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้มีจักรูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติจักระยตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิจัรณาบุคคลผู้มีจะกู้เกิดได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่จักรายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติบุคคลผู้มีจะกู้เกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและจักรายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักรายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด รูปลายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้มีร <right ูปเกิดได้กําล yeah? ังจุติจักหายตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่รูปลายตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้ม right? ีจักขูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังจุติจักหายตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่กําลังเกิดและรูปลายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิโลมปุจฉา รูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจะขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่จะขายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักรคเกิดไม่ได้กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและจะขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิด อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมานายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กําลังจุติจักขายัตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนายัตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจักรเกิดไม่ได้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังจุติจักขายัตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนายัตนะก็ไม่ใช่กําลังดับ ปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาะบุคคลผู้มีจกักรคูเกิดได้กําลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่จักระยตนะ er มิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจกักรคูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ มนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและจักหายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักหายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิตัิชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติจักหายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่กําลังดับ บุคคลผู้มีจักรู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติจกักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมายัตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจกักขายัตนาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้มีจกักขคเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่จกักขายัตนามิใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลผู้มีจักรคูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและจกักระยตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดจักขายตนะมูลกนัยจบคานายตนะมูลกไัยสองรอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดรูปลายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิตชนะัชชา บุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโดมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับ คานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจตชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติรูปายตนะของ um บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่คานายตนะมิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและคานายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา คานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจารนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กําลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับ ปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่คานายตนะก็ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังจุติได้บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับ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 ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและคานายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดคานายตนะมูลกไยนจบรูปลายตนะมูลกไยนิจสออนุโลมปุตชารูปลายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชณาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กําลังจุติ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม วิจารนาบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังจุติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา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 บุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัต <im educate S 1> ิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มานายตนะไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมานายาตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจณีกโอกาสจักขายาตนะมูลกนัยสออนุโลมปุชชจฉาจักขายาตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดละปัจจณีกบุคลอกาสจักขายาตนะมูลกนัยสอ อนุโลมปุจรฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดละในวงเล็บคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าของบุคคลใดและคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกัน 2. องอตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลจักขายตนะมูลกายน2ยสออนุโลมปุจรฉา จักขายัตนะของบุคคลใดเคยเกิดโสตายัตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาโสตายัตนะของบุคคลใดเคยดับจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ละในมึงเล็บในอุปาทวานนิโรธวานและอุปาทานิโรธวานอตีตปุจฉาเหมือนกัน ั้งอนุโลมและปัจจณีกะ 3. อนาคตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจะขายัตนะมูลกายนัยสองอนุโลมปุชชจฉาจะขายัตนะของบุคคลใดจะเกิดโสตายัตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายัตนะของบุคคลใดจะดับ จกขายัตนะของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจชิมพวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโบการะพูมและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในอรูปประพูมแล้วปรินิพานซึ่งกาลังอุบัติโสตายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจะดับแต่จะขายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้โสตายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจกดับและจกขายตนะก็จะเกิด อนุรมปุจฉาจากขายัตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายัตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจชนาะบุคคลเราใดจากอุบัติในรูปปาวจรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุติจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานายัตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายัตนะก็จักดับปฏิโดมปุจฉา คานายตนาของบุคคลใดจักดับจ <owie> <mouth> like <lane> <m uch in> mm ักขายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัรณนาปชิมภวิการบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปอรูปประภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักหายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักหายตนะก็จะเกิด อนุโลมปุจฉาจักหายัตนะของบุคคลใดจะเกิดรูปลายัตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิตัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉารูปลายัตนาของบุคคลใดจกดับจักหายัตนะของบุคนในในบบคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาะปัดฉิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดาจักอุบัติในรู ป, ปภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังอุบัติ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจัดดับและจักขายตนะก็จักเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจักเกิดมนายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จัดดับใช่ไหมวิจาชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับ จักระยตนาของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตนะัชชาปัจฉิมภวิการบุคคลผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้จักอุบัติในอรูปปภูมิแล้วปรินิ พ, พานธรรมายตนาของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักระยตนะไม่ใช่จกักเกิดบุคคลนอกนี้ธรรมายตนาของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักระยตนะก็จะเกิดจักระยตนามูลกาไนจบ คานายตนามูลกนัอร้อยอนุโลมปุจฉาคานายตนาของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉารูปลายตนาของบุคคลใดจะดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ ปชิมภระวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจัดดับแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้รูปายตนะของบุคคลเหล่า น, นั้นจัดดับและคานายตนะก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดจะเกิดมนายตนะ และธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจกดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกดิดใช่ไหมวิจัชนาปัดชิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้จักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจกดับแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกดิด บุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่าน um, ั้นจกดับและมานายตนะก็จะเกิดสองร้อมอนุลมุตฉารูปลายตนะของบุคคลใดจะเกิดมนายตนาและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจกดับรูปลายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหม พิจารณาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้จักอุบัติในรูปปภูมิและปรินิพานธรรมายตนาของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ธรรมายตนาของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปายตนาก็จะเกิด2องอนุโลมปุจฉามานายตนาของบุคคลใดจะเกิดธรรมายตนาของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจาชนาใช่ ปฏิโรมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับมานายาตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจชนะนาประชิมพวิการบุคคลผู้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่มนายาตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ธรรมายตนาของบุคคลเหล่านั้นจักดับและมานายาตนะก็จะเกิดอนุลมโอกาสจักขายาตนามูลกายนายสอ อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะในภูมิใดจะเกิดละอนุโลมปุขละกาศสองอนุโลมปุจฉาจักขายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสตายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะลับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา โสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกดับจะขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิสัชนาปัชิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับแต่จะขายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับและจะขายตนะก็จะเกิด อนุโลมปุจฉาจักขายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมพิจารนาะบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายัตนะไม่ใช่จักดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายัตนะก็จักดับ ปฏิโดมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจัดขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาปัดฉิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานายตน ะ, ะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดดับแต่จัดขายตะนะไม่ใช่จัดเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดดับและจักขายตนะก็จะเกิด อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมพิจัดชน า, าใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดจกดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับแต่จักขายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในปัจจโบการาภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับและจักขายตนะก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมพิจาชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา มานายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกดับจะขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจชนะนาปัดฉิมพวิการบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจกโการาภภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภปูมิมานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกดับและจะขายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตอยู่ในปัญจกโการาภูมิ มานายาตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นแจกดับและแจกขายาตนะก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาแจกขายาตนาของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดธรรมายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิตัชชาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดจจกดับแจกขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชชา ปชิมภวิการบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาัตตภูมิและอรูปภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับแต่จักหายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับและจักหายตนะก็จะเกิดจักหายตนะมูลกายจบ คานายตนามูลกนัยสองอนุโลมปุจฉาคานายตนาของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนาของบุคคลใดในภูมิใดจะดับคานายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกดิดใช่ไหมวิจัตชนา ปัจชิมพวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภู ม, มิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภู ม, มินั้นจะดับแต่คานายตนะนไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิรูปายตนะนของบุคคลเหล่านั้นในภู ม, มินั้นจะดับและคานายตนะนก็จะเกิดอนุโลมปุจฉา คานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา ปชิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตอยู่ในกามาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดดับและคานายตนะก็จะเกิดคานายตนามูลกนัยจบ รูปายตนะมูลกนัยสองอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้บัดอยู่ในสรรยสัญญตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมนายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจตชนาปัดฉิมภวิการบุคคลผู้กําลังบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ แต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิมานาายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับและรูปายตนะก็จะเกิดอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัรณาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะดับ รูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดชิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปายตนะก็จะเกิด รูปา ย, ตน า, านนายตนามูลกานิจจบมนาายตนามูลกานิสอยสิบอนุโลมปุจฉามนาายตนาของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกดับมนาายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนา ปชิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่มนายาตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและมนายาตนะก็จะเกิดปัจจนีกับบุคคลจักขายญาตนะมูลกไนสอยยี่ส อนุโลมปุจฉาจะขายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสตายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกดับใช่ไหมวิจัชนาะปัดฉิมพวิการบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรู ป, ปรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังอุบัติจกขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสตายยตนะไม่ใช่จกไม่ดับ บุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปชิมพวิกาบุคคลในอรูปภปูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปภปูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุติจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและสโสตายยตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิโดมปุจฉาสโสตายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากดับจากขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ อนุโลมปุจฉาจากขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกดับใช่ไหมวิจัตชนาะปัดฉิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติแนวรู ป, ปรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังอุบัติจากขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและคานายัตนะก็ไม่ใช่จากไม่ดับ บุคคลผู้กำลังปรินิพานในการมาวจารภูมิปัดฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจารภูมิและอรูปาวจารภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรู ป, ปรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุติจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและคานายัตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาคานายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ จักขายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิจัิชนาะบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุติคานายาตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่จักขายาตนะม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกร บ, บุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ และบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับและจากขายายตนะก็ไม่ใช่จากเกิดอนุโลมปุจฉาจากขายายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมพิจัชนาะปัดชิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิ และบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังอุบัติจะขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปประภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติจกขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักดับ ปฏิรมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากดับจักขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุรมปุจฉาจักขายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมนายตนะและธรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัดชนา ปัดจิมพวิกรบุคค<แ>ลผู้กําลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปประภูมิ s, แล vale ้วปรินิพานจะขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จกไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานจะขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จกดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดละวิจัชนาใช่ จักขายัตนะมูลกานายจบคานายัตนะมูลกานานิย2ีิอนุโลมปุจฉาคานายัตนาของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดรูปายัตนาของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจตชนา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 และบุคคลเหล่าใดจากอุบัติแนวรูปประภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดและวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมานายตนะและธรม า, ายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม พิจารณาประชิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานคานายตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จ ก, กมไม่กกดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานคานายตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จกดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนาของบุคคลใดและ วิจัชนาะใช่222อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมานายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัชนาะปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปประภูมิและปรินิพานรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จากไม่ดับ บุคคลผู้กําลังปรินิพานรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดและวิจัชนาะใช่223อนุโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหม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 ปัจจณีกณ็โอกาส right. จะขายยตนะมูลกาในสออยยี่อนุโลมปุจฉาจะขายยตนะในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดละปัจจนีกับปุขคโลกาดจะขายยตนาโมรกาในสออยยี่อนุโลมปุจฉาจะขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะดับใช่ไหม พิจานาปัจฉิมภวิการบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสตายัตนะก็มิใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้วัติอยู่ในอสัญญาัตตภูมิและอรูปภูมิจกขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและโสตายัตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุจฉา โสตายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดละวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจะขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกดับใช่ไหมวิจัชนาปชิมภวิการบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานายัตนะไม่ใช่จกไม่ดับ บุคคลผู้กําลังปรินิพพานในกา마วจรภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัตยู่ในสัญญาสัตต ภ, ภ, ภูมิและอรูปภูมิจกขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคานายัตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโดมปุจฉาคานายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจะขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชชนาะ บุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับแต่จากหายตนะไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาว จ, จรภูมิ <lude S 2> ปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญยสัตตภูมิและอรู ป, ปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับและจากหายตนะก็ไม่ใช่จากเกิดอนุโลมปุชชา จะขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกดับใช่ไหมวิตัชนาะปัะชิมภวิการบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการาภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจะขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จกไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการาภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปภูมิ จักขายยตนาของบุคคลเหล่านั Sister, ้นในภูมินั้นไม่ใช่จกักเกิดและรูปายตนาก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายตนาของบุคคลใดในภูมิใดาละวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายยตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดมนายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิการบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิ และบุคคลผู้บัตยู่ในรูปประภูมิจะขาดยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานและบุคคลผู้บัตยู่ในอสัรยสัตตภูมิจะขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมะนายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิโรมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดละวิจัชนาะใช่ อนุโลมปุจฉาจักขายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดธรรมายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัิชนาะปัดฉิมภวิการบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการ ภ, ญญรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรู ป, ปรภูมิจักขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ธรรมายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับ บุคคลผู้กําลังปรินิพานจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จกดับปฏิโดปุชชาธรรมายตนาของบุคคลใดในภูมิใดละวิสัชนาใช่จะขายยตนามูลก า, นายนจบคานายตนามูลกานสออยยี่อนุโลมปุชชาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด รูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตตชนาปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโการภูมิและบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปภูมิ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิรมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดละวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดมานายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัชนา ปชิมพวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในการมาบจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนายตนะมิใช่จกไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานและบุคคลผู้บ <anın> ัดอยู่ในสัญญสัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่จกดับ ปฏิโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดและวิจัดชนาะใช่อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกดับใช่ไหมวิจนะัดชนาปัจฉิมพวิกรบุคคลผู้กำลังอบัตในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดละวิตัชนาใช่คานายตนะมูลกายนจบรูปายตนะมูลกายน 227อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดมนายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะดับใช่ไหมวิทัดชนาะปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กําลังบัตในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนายาตนะไม่ใช่จะไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพาน รูปายตนะของบุคคลเหล่านั the the ้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่จกดับปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกดับรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้บัอยู่ในอสัญญัตตภูมิมนายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้กาลังปรินิพาน มานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัชนาะปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรู ป, ปรภูมิ รูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานรูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและธรรมายตนาก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนาของบุคคลใดในภูมิใดาละวิจัชนาใช่รูปายตนามูลกนัยจบ มานายตนะมูลก า, นายนัยสองร้อยยี่สปุจมุฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะดับใช่ไหมวิจัชนาะปัจฉิมภวิการบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญยสัตตภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพาน มานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและมาธรรมายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้ น, น, นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่มานายตนะมูลกายนิจ